อัตกถามหาชนกชาดุกที่สองพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารพมหาพิเนกขมะบรารมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งท่ามกลางมหาสมุทรโกยังมัดเชสมุดทัสมิสมงดังนี้เป็นต้นความพิสดารว่า วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งพนานามหาพิเนกคมัมมะบารมีของพระตถาคตในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่ตถาคตออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่แม้ในการก่อนเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตถาคตก็ได้ออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกันตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงดุษณีภาพอยู่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องจึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตการพระราชาพระนามว่ามหาชนกครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาแควนวิเทหะพระเจ้ามหาชนกราชนั้นมีพระราชโอรสสองพระองค์คืออริทธชนกพระองค์หนึ่งโอลชนกพระองค์หนึ่งในสองพระองค์นั้นพระราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสองค์พี่ พรราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระราชโอรสองน้องการต่อมาพระมหาชนกราชสวรรคตพระอริทธชนกได้ครองราชสมบัติทรงตั้งพระชนกผู้กนิตฐาพาดาเป็นอุปราชอำมาตย์คนหนึ่งผู้ใกล้ชิดพระราชาไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะพระอุปราชใครจะปรงพระชนพระองค์ พระอริฏฐชนกราชทรงสดับคำบ่อยๆก็ทำลายความสิเนหาพระอนุชาให้จำพระโปลชนกมหาอุปราชด้วยเครื่องจองจำให้อยู่ในคฤหาสน์หลังหนึ่งใกล้พระราชนิเวศมีผู้คุมรักษาพระกุมารโปลชนกทรงตั้งสัตยาทิสฐานว่าถ้าข้าพเจ้ากกวเวยต่อพระเชษฐา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 ประทับอยู่ที่ปัจจันตคามนั้นชาวปัจจันตคามจำพระองค์ได้ก็บำรุงพระองค์ครั้งนั้นพระอริทธชนกราชไม่สามารถจะจับพระองค์ได้พระโพละชนกนั้นได้ทําปัจจันตะชนบทให้อยู่ในอานาจโดยลำดับเป็นผู้มีบริวารมากตรงคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาของเรา แต่บัดนี้เราจะก่อเวละทรงให้ประชุมพนิกายแวดล้อมไปด้วยมหาชนออกจากปัจจันตคามถึงกรุงมิถิลาโดยลำดับใ้ตั้งค่ายพักแรมกองทัพอยู่นอกพระนครครั้งนั้นเหล่าทหารชาวมิถิลานครทราบว่าพระโพลชนกเสด็จมา ก็ขนยุธโตปกรณ์มีพาหะช้างเป็นต้นมายังสำนักของพระโพละชนกนั้นโดยมากแม้ชาวนาครคนอื่นๆก็พากันมาเข้าด้วยพระโพละชนกทรงสารไปถวายพระเชษฐาว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์มิได้ก่อเวรต่อพระองค์แต่บัดนี้ข้าพระองค์จะก่อเวรละพระองค์จะประทานสวตฉัตรแกข้าพระองค์หรือจะรบ พระราชาอริทธชนกทรงสดับดังนั้นปรารถนาจะรบยึงตรัสเรียกพระอัครมเหสีมาตรัสว่าที่รักในการรบชนะหรือแพ้ไม่อาจจะรู้ได้ถ้าฉันมีอันตรายเธอพึงรักษาคันให้ดีตรัตชนีแล้วเสด็จกรีธาทับออกจากพระนคร ครั้งนั้นทหารของพระโปลชนกยังพระอริฐะชนกกราชให้ถึงสวรรคตในที่รบชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ว่าพระราชาสวรรคตแล้วก็เกิดโกลาหลกันทั่วไปฝ่ายพระเทวีทรงทราบว่าพระราชสวามีสวรรคตแล้วก็รีบเก็บสิ่งของสำคัญมีทองเป็นต้นใส่ในกระเช้า เอาผ้าเก่าๆปกปิดไว้แล้วใส่เข้าสารข้างบนทรงนุ่งผูษาเก่าเศร้าหมองปลอมพระกายของพระองค์วางกระเช้าบนพระเสียรเสด็จออกจากพระนครแต่กลางวันทีเดียวไม่มีใครจำพระนางได้พระนางสเสด็จออกทางประตูทิศอุดรไม่รู้จักหนทางเพราะไม่เคยสเสด็จไปในที่ไหนไหนไม่อาจกําหนดทิศ จึงประทับที่ศาลาแห่งหนึ่งคอยตรัสถามว่ามีคนเดินทางไปนครกาละจัมปากะไหมเพราะเคยทรงเพียงสดับว่ามีนครกาละจัมปากะก็สัตว์ในคันของพระเทวีนั้นมิใช่สัตว์สามัญแต่เป็นพระมหาสัตว์ผู้มีพระบารมีเต็มแล้วมาบังเกิดด้วยเดชานุภาพแห่งพระมหาสัตว์นั้น บรรดาลให้พบของเท้าสักกะเทวราชสำแดงอาการร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นทรงดำริว่าสัตว์ที่บังเกิดในพระคันของพระเทวีมีบุญมากเราควรจะไปในที่นั้นจึงในระมิดเกวียนมีเครื่องปกปิดจัดตั้งเตียงไว้ในเกวียนนั้นเนรมิด ต, ตนเหมือนคนแก่ ขับเกวียนไปหยุดอยู่ที่ประตูศาลาที่พระเทวีประทับนั่งทูลถามพระเทวีว่ามีผู้ที่จะไปนครกาลจัมปากะบ้างไหมพระเทวีได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพระเจ้าจักไปเท้าสักกะตรัสว่าถ้าเช่นนั้นแม่จงขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดพระเทวีเสด็จออกมาตรัสว่า ข้าแต่พ่อข้าพเจ้ามีคันแก่ไม่อาจจะขึ้นเกวียนไปได้จะขอเดินตามพ่อไปเท่านั้นแต่พ่อช่วยรับกระเช้าของข้าพเจ้านี้ขึ้นเกวียนไปด้วยเท้าสกกะตรัสว่าแม่พูดอะไรคนที่รู้จักขับเกวียนเช่นข้าพเจ้าไม่มีแม่อย่ากลัวเลยขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดแม่ด้วยอนุภาพแห่งพระโอรสของพระองค์ ในการที่พระเทวีจะเสด็จขึ้นเกวียนแผ่นดินได้นูนขึ้นดุดผิวละอองเต็มด้วยลมฟุ้งขึ้นฉะนั้นตั้งจดท้ายเกวียนพระเทวีเสด็จขึ้นบรรทมบนพระที่สิริสายาสทรงทราบว่านี้จักเป็นเทวดาพระนางได้อย่างลงสูนิทราเพราะได้บันทมบนพระที่อันเป็นทิพย์ ครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงขับเกวียนถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งไกลราว30บโยชน์จึงปลุกพระเทวีแล้วตรัสว่าแม่จงลงจากเกวียนนี้อาบน้ําในแม่น้ําจงนุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งที่วางอยู่เหนือศีรษะนั้นจงหยิบของกินที่มีอยู่ภายในเกวียนนั้นมากินเถิดพระเทวีทรงทําตามอย่างนั้นแล้วบันทมต่อไปอีก ก็รูถึงนครกาลจจำปากะในเวลาเย็นทอพระเนตรเห็นประตูโหรพและกำแพงพระนครจึงตรัสถามท้าวสักกะว่าข้าแต่พ่อเมืองนี้ชื่ออะไรท้าวสักกะตรัสตอบว่านครกาลจจำปากะแม่พระเจวีตรัสค้านว่าพูดอะไรพ่อ นครกาละจำปากะอยู่ห่างจากนกครของพวกเราถึงหกสิบโยชนิใช่หรือท้าวศักกะตรัสว่าถูกแล้วแม่แต่เรารู้จักหนทางตรงรังนั้นท้าวศักกะเทวราชให้พระเทวีลงจากเกวียนณที่ใกล้ประตูด้านทิศทักษิณตรัสบอกว่าบ้านของเราอยู่ข้างหน้าแต่แม่จงเข้าไปสู่นคร น, นี้ ตรัส ด, ดังนี้แล้วเสด็จไปเหมือนไปข้างหน้าได้หายตัวไปยังที่ประทับของพระองค์ส่วนพระเทวีก็ประทับนั่งอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่ง